ฐานเชตาวันเนยโจดเป็นตัวเองใครจะตามเฝ้าดูเราเท่ากับตัวเราเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นผู้ที่โจดตนเป็นผู้ที่เตือนตนอย่างเต็มที่ทีนี้ถ้าหากว่าเราอย่างในยุคใหม่เราไม่มีกระยาณมิตรเราจะทาําไงเอ่ยไม่มีกระยาณมิตรที่เรียกว่ามาตรฐานแบบสวัยพุทธการนะเราทําไงดีหนอะ ก็ทำว่าพรุ่งนี้จะไปไหว้ที่พระเชตวันจะไปสวดสรรเสิญพระพุทธคุณเนี่ยนะก็ไทยทำได้แต่อย่างนี้เลยแล้วก็ทำอย่างนี้ไปก่อนเราก็ได้พบกับท่านครั้งหนึ่งแล้วที่ทยกมาแสดงในพระวิหารเชตวันเนี่ยนะทึ่เป็นเป็นสถานที่ที่อนาถบินธิกะเศรษฐีเนี่ยทุ่มเททั้งชีวิตจิตวิญญาณเนี่ยเพื่อสร้าง ส่วนพระสูตรเกี่ยวกับอนาถบินทิกาเศรษฐีตั้งใจว่าจะไปกล่าวที่บ้านอนาถเนี่ยนะนะซึ่งตอนนี้ก็กล่าวถึงพระองค์นั้นบรรลือีหนาถแล้วพระสาวกบรรลือีหนาถในวัดพระเชตวันซึ่งมีทั้งสีหานาสูตรหรือว่าจูลสีหานาสูตรพระองค์ก็บรรลือีหนาถในวัดพระเชตวันทศพลสูตรพระองค์ก็บรรลือีหนาถในเชตวันเะนี่ยนะซึ่งพระสูตรเหล่านี้ถือว่าเป็นพระสูตรที่เป็น ทิศทางของการศึกษาพระธรรมของเราทั้งหลายะถ้าหากว่าเราถือเอาทิศทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัลลูสีห น, น้าเอาไว้เป็นข้อปฏิบัติเป็นทิศทางแห่งการดําเนินชีวิตที่เราทั้งหลายจะศึกษาพระธรรมคําสอนนั่นจะเป็นไปเพื่อความเจริญนั่นจะเป็นไปเพื่อความสุขแก่เราทั้งหลายตามที่พระองค์ได้ทรงประสงค์เอาไว้แล้วเรามาถึงวัดพระเชตวันในสิ่งที่ได้คงได้อะไรชัดเจนขึ้น ของได้สังเวกขวัตถุที่ชัดเจนมากขึ้นเฉตะวันมหาวิหารเป็นสถานที่อนาถาบินทิกะเกลียเงินเนี่ยสิบแปดโกดเนี่ยนะก็ประมาณร้อยสี่ร้อยสิบแปดโกดก็ร้อยแดสิบล้านอามาตูสถานที่ทั้งหมดเพื่อจะซื้อเจ้าเชิเว้นแต่ต้นไม้เนี่ยนะเว้นแต่ต้นไม้ก็ตูเต็มไปหมดเลยร้อยแปดสิบโกดแล้วอนาถาบินทิกะนั้นก็สละสร้างสละทรัพย์เนี่ยนะ สร้างวัดนี่อีกสิบแปดโกดก็ประมาณร้อยแปดสิบล้านร้อยแดสิบล้านสมัยควายตัวละตัวละบาทสองบาทนะนะก็ถ้าเทียบสมัยนี้ก็หาตะมานไม่ได้แล้วก็ท่านฉลองอยู่สามเดือนด้วยกันเออฉลองสามหรือสี่เดือนนี่ค่าฉลองนี่ก็หมดอีกสิบแปดโกดเนี่ยนะท่านฝังซั์ไว้ในพระศาสนาปีเดียวเนี่ยห้าท่านเหล่านั้นห้าสิบสี่โกด ประมาณ540ร้ล้านการเจริญพุทธานุสติเจริญธรรมานุสติเจริญสังคานุสติท่านมีเพื่อกับการให้ทานกับท่านสังสมอุปนิสัยเพื่อที่จะทำบุญประเทศนี้มาแสนมหากัรท่านมีความสุขกับการบำรุงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีความสุขกับการบำรุงพระภิสุสงท่านพูดถึงพระพิสุสงในท่านบอกว่าพระพิสุสงทั้งหลายผู้ยังใจให้เจริญ คือท่านใช้ศั์นี้เลยแสดงว่าเวลาท่านระลึกนึกถึงพระสงฆ์ทั้งหลายท่านบอกว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้ยังใจให้เจริญนีนะท่านท่านมีความสุขกับการเจริญพุทธานุสติเจริญธรรมานุสติเจริญสังขานุสติท่านมีความสุขกับการให้ทานกับผู้มีศีลทั้งหลายแล้วก็เป็นผู้ที่ให้ทานแทบจะเรียกว่าหมดตัวเนี่ยนะ ซึ่งพระวิหารเชตวันอันนี้เป็นที่ยังจิตของท่านให้โสมนัสปราดเริ่มยดยินดีมากนะท่านมีความสุขกับพระเชตวันนี้มากอันใาทั้งหลายถ้ากล่าวไปแล้วก็อนุโมทนาสาธุการกับอนาถาบินธิกะสามครั้งพร้อมกันนะสาธุสาธุสาธุเนี่ยนะว่าท่านนั้นได้ฝังทั์อริยซั์ลงในพระาศาสนาอย่างเต็มที่เพราะว่าอนาถาบินทิกะนั้น เป็นผู้มีทรัพย์ทั้งภายในทรัพย์ทั้งภายนอกทรัพย์ภายนอกก็คือถึงขนาดว่าเลี้ยงพระภิกษุอย่างน้อยวันละห้าร้อยรูปตลอดชั่วชีวิตของท่านเนี่ยนะแล้วก็ลูกหลานก็เป็นพระอริยะซะส่วนใหญ่ทีนี้ท่านนี้เป็นผู้ที่เข้าวัดพระเชตวันเนี่ยนะถ้าท่านอยู่ท่านไม่ได้ไปธุระค้าขายที่ไหนท่านจะเข้าวัดวันละสองครั้งจะมาวัดไหมาช่วงเช้าก็มาพร้อมกับอาหาร ดอกไม้เป็นต้นมาช่วงเย็นก็น้ำปนานะกับน้ำพึ่งจะไม่มามือเปล่านะคือเป็นผู้ที่มีความเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคารพในการฟังธรรมเคารพในโมพระอริยาสาวกทั้งหลายท่านเหล่านั้นนะก็ยังจิตให้ให้อนาถานิโส ม, มานะจริงๆท่านมีความสุขกับการเจริญบุญกุศลเหล่านั้นจนไม่อะไรในอะย่างอื่นเลยเนี่ยนะเป็นจิตที่โอนเอ็นไปหาพระรัตนตรัย แล้วก็วัดพระเชตวันแห่งนี้เป็นที่เมืองชาวสาวัตถีเนี่ยนะจะมาฟังธรรมทุกเย็นท่านเหล่านั้นเนี่ยมีจิตเอ็นมีจิตโอนมีจิตโน้มไปหาพระรัตนาไตรอ่ะ น, นะชีวิตของท่านเหล่านั้นเนี่ยเหมือนกับว่าท่านนั้นเกิดมาเพื่อพบพระพุทธศาสนาจริงๆท่านเกิดมาเพื่อพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญบุญมาเพื่อพบพระัตนาไตรท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จได้บรรลุมรรคผล คนที่เมืองสาวถีแห่งนี้เนี่ยนะเป็นผู้มีบุญถึงขนาดว่าตั้งใจจะมาลักนะยังไม่บรรลุเป็นพระโสดาบันกลับบ้านเลยนะเขามีบุญขนาดนะั้นเราคงเคยได้ยินนะคิ ด, ดว่าอะไรนะโจมทำลายปมบอกว่าสมัยก่อนเขาจะฟังทายเไราไปฝากเมียสักอย่างเมียก็ถามว่าอ้าวไหนไปลักมาได้อะไรมาบ้างของขอ ถ้าหาว่าใครนั่งฟังหลับนะเขาสมัยก่อนมันไม่มีกระเป๋าแบบบ้านเราใช่ไหมเขาก็จะพัดพกไว้กับชายผ้าเรียกว่าชายปมเนี่ยมัดเป็นตมเอาไว้ใครเผลอเงี่ยปลับแล้วพวกนี้ก็จะมาปลดมีอยู่คนหนึ่งเนี่ยนะมาปลดมาปลดตมเนี่ยก็วันนั้นเนี่ยเตรียมจะขโมยเ ด, ด็บัณฑิตได้บ้างทําก็เลยตั้งใจฟังพอตั้งใจฟังเงี้ยโสดลงฟังทําฟังทําทั้งคืนบรรลุเป็นพระโสดาบัน เช้ามาเนี่ยกลับบ้านนี้ไม่ได้อะไรไปฝากเมียสักอย่างเมียก็ถามว่าอ้าวไหนไปลักมาได้อะไรมาบ้างเขาบอกไม่ได้อะไรสักอย่างเลยเขาบอกเขาบกแกนี่มันโง่ขงเขาบอกงั้นไปลักอะไรก็ไม่ได้กลับบ้านสักอย่างขาโ ง, ง่ามากชายคนนี้ก็ไม่รู้จะทํายังไงก็เลยกลับมาฝ้าพระพุทธเจ้าก็เล่าถวายพระพุทธเจ้าทั้งหมดพระองค์ก็ตรัสว่าคนที่เป็นทานเนี่ยนะสาคัญตัวว่าเป็นคนทานอยู่คือรู้ตัวว่าเป็นคนทานพอจะเป็นบัณฑิตได้บ้าง แต่ผู้ที่เป็นพานแล้วก็ยังไม่รู้ตัวเองว่าเป็นพานเป็นไปได้ไหมที่เขาจะเป็นบัณฑิตเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่รู้แล้วก็รู้ตัวว่าเราเป็นผู้ไม่รู้ก็นับว่าประสบความสําเร็จในชีวิตไปครึ่งหนึงแล้วนะถ้าเราไม่รู้แล้วรู้ตัวว่าเราไม่รู้เช่นเราไม่รู้อะไรบ้างสิ่งที่เราไม่รู้เราก็ตอบได้เลยใช่เราไม่รู้อริยสัจเรายังไม่เห็นปฏิจจสมุปบาท เ ร, เ, เรายังไม่เห็นทุกข์เรายังไม่เห็นทุกขสมมุทัยเรายังไม่เห็นทุกขนิโรธเรายังไม่เห็นทุกขานิโรธปฏิทุกขานิโรธค า, ามินีปฏิปทาเรายังไม่แทงตลอดอริยสัจธรรมทั้งหลายที่พระโสดาบัน เหล่านั้นท่านแทงตลอดเมื่อเราไม่รู้เราก็รู้ว่าตัวเราไม่รู้เราก็มีจิตโอนไปหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของแห่งธรรมเราก็มีจิตโอนไปหาพระธรรมคําสอนที่พระโอษอริยัสสะจรทำเราก็เคารพบูชาเทิดทูนผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมเมื่อเราปฏิบัติตามนี้เราก็ชื่อว่าบูชาบุคคลที่สมควรแก่ ก, การบูชาเอตังมังคลมุตังมังนั่นเป็นอุดมมงคล เรามาโดยเฉพาะในวัดพระเชตวันเนี่ยเป็นที่หลังไหลมาแห่งพุทธบริษัทผู้เป็นนักบุญนักบุญจริงๆเลยนะเพราะท่านเหล่านั้นเป็นพระอริยกัน อนนันเป็นเดินโขจรแห่งโมพระริยเจ้าทั้งหลายพระริยเจ้าทั้งหลายท่านจาริกพุทธบริษัทหลังไหลมาจากที่ต่างๆเพื่อมาเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธบริษัทเหล่านั้นได้เข้าเฝ้าก็บรรลุกมักผลหาประมาณไม่ได้โดยเฉพาะมองคลสูตรที่พระองค์ตรัตนวัดพระเชตวันนั้นบรรลุหาประมาณไม่ได้กนะ็นับนนนนว่าเป็นพระสูตรที่สําคัญมากอันการปฏิบัติธรรมของเราทั้งหลายยังไงก็พยายามมีจิตน้อมไปโอนไปเอ็นไป ที่จะยังจิตให้มั่นคงเรื่มใสไม่วันไวในพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายานของพระทศพลเนี่ยนะพระองค์เนี่ยได้ประกาศถึงกำลังติบอย่างและพระองค์ก็ยังมีจตุเวสารัชญอีกสอย่างเวสารัญเมื่อคืนได้กล่าวไปบ้างในทุในทศพลวัษ์ที่สมสังยุตตนิกายนิทานวัต์กล่าวว่า สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่หน้าพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีกรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายตถาคตประกอบด้วยทศพลยานทศพลยานนี้แปลว่ายานของพระทศพลเนี่ยนะยานที่เป็นกําลังของพระพุทธเจ้าสิบอย่างและพรองก็ยังมีจตุเวสารัญอีกสี่อย่าง เวสารัชยานมไม่คืนได้กล่าวไปบ้างแล้วใช่หมหนึ่งขีนาสะวะปฏิญญาสองสัมมาสัมพุทธปฏิญญาสามออันตรายยิ่ธรรมเทศนาแล้วก็สี่นิยานิยธรรมเทศนาขีณาสวัสดิินาะะ ญ, ญาคือปฏิ ญ, ญาณว่าพระองค์นี้เป็นผู้สิ้นกิเลสจริงๆรสองสัมมาสัมพุทธปฏิญญาคือปฏิ ญ, ญาณว่าพระองค์คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสาม อันตรายุทธรรมเทศนาคือพระองค์ไม่แสดงธรรมที่เป็นอันตรายแล้วก็ธรรมที่นําออกจากวัตทุกเรียกว่านิยานิกธรรมคือธรรมที่นําออกจากวัตทุพระองค์นั้นเมื่อประกอบด้วยโทศสัพลยานสิบประการมีเวสารชายานอีกสี่ประการจึงปฏิญาณฐานะว่าเป็นผู้องค์อาจบาลูสีหนาเตยท่ามกลางบริษัททั้งหลายยังพรหมจักให้เป็นไป ถ้าที่สารณะเราเรียกอะไรนะธรรมจักพอที่นี่พระองค์บอกว่าพรหมจักอันที่จริงก็คือสิ่งเดียวกันเนี่ยนะพรหมจักธรรมจักนั้นก็เป็นชื่อของสิ่งเดียวกันธรรมจักรพรหมะแปลว่าประเสริฐใช่ไหมจากอันประเสริฐที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นไปแล้วที่นี้การประกาศธรรมจักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือประกาศอะไรเนื้อหาโดยสรุปไหมประกาศอะไรประกาศอรยิรอรยสัจ ถ้าหากว่าที่สารณาพราะองค์ตรัสว่าอีทางทุกขังอริยสัจจังล่ะนี้ทุกใช่ไหมนี้ทุกขสมุ ท, ทยัยนี้ทุกขนิโรดนี้ทุกขนิโรธาคามิมีปฏิปทาทุกควรทาปริญญาสมุทัยควรละนิโรธควรทําให้แจ้งอริยมรรคควรเจริญพระ อ, องค์นี้พระ อ, องค์ได้รู้อริยสัจสี่โดยสยัจจญาณกิจญาณกตตาญาณพระ อ, องค์จึงปฏิญาณในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พอมาสูตรนี้นะจะแสดงโดยเปลี่ยนพยัญชนะใหม่เปลี่ยนพยัญชนะว่าดังนี้รูปดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปดังนี้ความดับไปแห่งรูปเอาใหม่นะรูปคือทุกขสัจความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นสมุทยัยวสัจความดับแห่งรูปเป็นอันดังนี้ความถามว่าอะไรไปกําหนดรูรูปลัรูปสมุทัยรำนิโรตรูปนิโรธ ดังนี้วิก็มรคนั่นแหละนั่นก็คืออริยสัจอีกตามเดิม น, นะนี้รูปนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปนี้ความดับแห่งรูปทั้งคํานี้ก็คือประกาศธรรมจักเหมือนกันเนี่ยนะต่างกันโดยโวหารเทศนาเท่านั้นเองดังนี้เวทนาดังนี้เวทนาอ่าดังนี้ความเกิดแห่งเวทนาดังนี้ความดับแห่งเวทนา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 ดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้คือปฏิจจสมุปบาทอนุโลมวาระเอาใหม่นะทวนก่อนตอนแรกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เป็นการกล่าวเพื่อละอะไรทิฏฐิละสะกายทิฏฐิเพราะว่าสรุปว่าสัตว์บุคคลเป็นต้นไม่มีมีแต่ขันห้าที่ประชุมกันเพราะเมื่อแยกคำว่าขันห้าปั๊บสัตว์บุคคลก็เป็นอัน ถูกเพิกถอนไปมันก็ไม่มีผู้การธงชัยไม่มีอาจารย์สันติแล้วก็มีแต่ขันห้ามาสามสิบหกขันห้าใหญ่ๆมาหาขันห้าแขกเพิ่อมอีกคนละห้าคละห้าก็เต็มไปหมดเลยมีแต่ขันห้าแล้วก็ยังมาดูขันห้าที่อาเหตุทุกตะปฏิสนธินี่นะนะกระโดดเล้งเย้งอยู่แถวนี้อันนี้ขันห้าทั้งหมดเลยใช่ไหมแล้วขันห้าเหล่านี้คือเรื่องเวทนาสัญญาสังขารนินยามจะเกิดได้ยังไง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 กรรมวตปฏิสนที่วิญญาณเกิดขึ้นก็เรียกว่าวิปากวัตวิปากวตเกิดขึ้นจนได้สถานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติ เพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณนะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลมีด้วยประการชนีแลทั้นความเป็นไปแห่งขันห้าในวัตตก็คืออวิชชาเป็นอะไรวัตตะกิเลสวัตตะอวิชชาเป็นปัจจัยให้ทำกรรมกรรมนั้นเป็นกรร ม, มวัฏปฏิสนที่วิญ ญ, ญาณเกิดขึ้นก็เรียกว่า วิปากวตฏวิปากวตฏเกิดขึ้นจนได้สเสวยเวทนาก็เป็นปัจจัยแก่กิเลสวัฏคือตัณหาอุปาทานเมื่อเกิดกิเลสวัฏตัณหาอุปาทานก็สังขารก็ทํากรรมใหม่กรร ม, มวัฏเมื่อกรรมวัฏเกิดขึ้นอะไรอีกวิปากวตฏก็มีแต่วัฏสามที่เป็นไจกิเลสเป็นเหตุให้ทํากรรมเมื่อทํากรรมก็เกิด วิบากพอได้รับวิบากก็เกิดกิเลสอีกพอเกิดกิเลสก็ทํากรรมทํากรรมเพื่อให้มีวิบากพอได้วิบากก็เกิดกิเลสอีกกิเลสก็ทํากรรมอีกก็วนอยู่อย่างนี้ตะลงอะไรนําเป็นหัวหน้านำปลาไปก่อนพูดง่ายๆก็ความไม่รู้นี่แหละมันพาไปนนะท่องเที่ยวไปในวัตะน้ะําตามากกว่าน้ําทะเลมาหาสมุทรเธอเสียใจมากกว่าน้ําทะเลในมหาสมุทรท่้งอะไรก็เพราะว่าอาวิชชานั่นแหละอวิชชาโดยสรุปคืออะไร อวิชชานะความไม่ร no well well well well well well. ู้ร oh ูปเหตุเกิดแห่งรูปความดับแห่งรูปคืออวิชชาความไม่รู้เวทนาไม่รู้เหตุเกิดเวทนาไม่รู้ความดับเวทนาไม่รู้สัญญาไม่รู้ความเกิดแห่งสัญญาไม่รู้ความดับแห่งสัญญาไม่รู้สังขารไม่รู้ความเกิดแห่งสังขารไม่รู้ความดับแห่งสังขารไม่รู้วิญญาณไม่รู้ความเกิดแห่งวิญญาณไม่รู้ความดับแห่งวิญญาณอันนี้คืออวิชชา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 ถ้าวิชาเกิดขึ้นแล้วดังลงไม่ได้ที่สุดแห่งวัฏฏุก์ก็มีได้ด้วยอาการจนเหลือถ้าหากว่าวิภเห็นอันนี้แหละเป็นการบรลลูสีฮนนะ่าอริยมรรคเนี่ยเป็นดําไม่เป็นกรรมที่ไม่ดำผูเ้เดียวที่เป็นไปเพื่อสิ้นกรรมเพราะฉะนั้นถ้ากรรมดับปฏิสนธิวิญ ญ, ญาณนามรูปสลายยตนาภาษาเวทนาก็ดับถ้าไม่มีณนะวิญ ญ, ญาณนามรูปสลายยตนาภาษาเวทนาแล้วตันหาจากักมีมาแต่ไหนถ้าตันหาดับความยึดถือก็ดับ ถ้าดับตันหาดับอความยึดถือได้แล้วกรรมก็เป็นอันดับไปถ้ากรรมมาพบดับเนี่ยนะปฏิสุลที่วิญญาณจักอย่างลงได้ไหมก็อย่างลงไม่ได้ที่สุดแห่งวัฏทุก์ก็มีได้ด้วยอาการอย่างนี้ความรู้ความเห็นอันนี้แหละเป็นการบรรลุสีหเนตรของพระพุทธเจ้า น, นะเป็นการพูดแบบภาษาไทยหรอกเป็นการคํารามของราชสีว่างั้นนะแต่ดิศสีห์คือพระพุทธเจ้าบรรลุสีหเนตรเปล่งวาจาว่า นี่นะความเกิดแห่งวัฏทุกข์เป็นไปอย่างนี้ความดับแห่งวัฏทุกข์เป็นไปอย่างนี้แสดงว่าสิ่งนี้พงคํารามดังลั่นสนั่นกึกก้องไปหมดนี่แสดงว่าสําคัญมากใช่ไหมอันนี้ถือเอาเป็นโครงสร้างในการไปปฏิบัติได้เลยเอาเป็นหัวข้อสําคัญในการไปฝึกตรึกพระธรรมไปพิจารณาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคือเอา เนี่ย yeah. หัวข้อตามทศพลสูตรดังนี้ดังนี้ขันห้าดังนี้ความเกิดแห่งขันห้าดังนี้ความดับแห่งขันห้าเพราะวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารถ้าสำเร็จอวิชาโดยไม่มีส่วนเหลือสังขารก็ดับเป็นต้นนะถ้าหาว่าถือเอาโครงสร้างเหล่านี้ไปพิจารณาเป็นหัวข้อหาพระธรรมส่วนอื่นมาประกอบก็จะช่วยได้เยอะจริงๆก็สูตรนี้ที่กล่าวไปเมื่อกี้กับธรรมจักกับปวัตตนสูตรนี้เนื้อหาเหมือนกันหมด ต่างกันแค่โวหารเทศนะเท่านั้นเองแต่เอาไปคิดให้มันเหมือนกันก็นแล้วกันนะีถ้าคิดไม่เหมือนกันนะัแสดงว่าแสดงว่าเข้าใจพระธรรมผิดแล้วไนงะเพราะพระสูตรเหล่านี้อัตถาสาระเหมือนกันถ้าเราอ่านแล้วก็เข้าใจไปคนละเรื่องแสดงว่าเราเข้าใจคําสอนมีปัญหาเราอยู่ที่นี่ดูสองดูให้ชี้ให้ดูดวงอาทิตย์แต่อยู่ที่บ้านเราสองให้ดูดวงอาทิตย์มันควรจะดวงเดียวกันใช่ไหม ถ้าชี้แล้วมาอยู่ที่นี่ดวงอาทิตย์อียงไปข้างหนึ่งไงไม่น่าใช่เลยนะแสะดงว่าไม่ใช่เพราดวงเดียวกันฉันใดพระนิพานนี้ก็ประดุดดวงอาทิตย์การชี้ให้ดูโดยสูตรต่างๆก็เหมือนกับคําสอนที่พระองค์ชี้ให้เห็นพระนิพานอันเป็นที่สุดแห่งวัตทุกข์ส่วนในทุติยทุสพลสูตรเนี่ยนะ สูตรที่สองนี้กล่าวว่ากล่าวเนื้อหาเหมือนกันว่าพราะองค์นี้ประกอบด้วยตถาคตพระยานและจตุเวสารชยานจึงปฏิยานฐานะของผู้องอาจบรรลุสีหนาาในบริษัททั้งหลายยังพรหมจักให้เป็นไปว่าดังนี้รูปดังนี้ความเกิดแห่งรูปเอาใหม่พร้อมกันดังนี้รูปดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปดังนี้ความดับไปแห่งรูปดังนี้เวทนา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 เพราะนามรู้เป็นปจัจจัยวิญญาณดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณดังนี้ความดับไปแห่งวิญญาณนะด้วยเหตุดังนี้เมื่อปัจจัยนี้มีอยู่ผลนี้ย่อมมีเพราะการบังเกิดขึ้นแห่งปัจจัยผลนี้จึงบังเกิดขึ้นเมื่อปัจจัยเหล่านี้ไม่มีอยู่ผลเหล่านี้ก็ย่อมไม่มีเพราะการดับแห่งปจัจจัยนี้ผลนี้จึงดับข้อนี้คือเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขาร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 พระเพระเป็นตัดใจจึงมีชาติ เพราชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรา ม, มรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมณตและอุปาญาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกขั้งมวล<อ>ย่อมมีด้วยประการชนีความเกิดขึ้นแห่งวัตฏะเนี่ยนะอันนี้เืียกว่าสูตรแบบโครงสร้างใหญ่ๆก่อนถ้ากระจายไปก็ไล่ทีละทวารว่าความเกิดขึ้นแห่งจกักรคูทวารเป็นยังไงความเกิดขึ้นแหง่งโสตทวารเป็นยังไงความเกิดขึ้นแหง่งคานทวารเป็นไปยังไงความเกิดขึ้นแห่งชิวหาทวาร เป็นไปอย่างไรความเกิดขึ้นแหง่งกายะทะวานเป็นไปอย่างไรความเกิดขึ้นแหง่งมนโนทวานเป็นย่งไรเพราะปฏิจจสมุปบาทคูณทวานหกจะเป็นยังไงอันนะี้ก็น่าเอาไปตรึกดูนะปฏิจจสมุปบาทเหล่านี้เป็นไปในทวานหกก้แนวเดียวกันกับโลกาณิโรทสูตรนะั่นแหละเราก็จะเห็นความเป็นไปของวัตตะเลยใช่ไหมวัตตะทวานตาเป็นไปยังไงวัตตะในทวานหูเป็นไปยังไง วาตถทะวานจมูกเป็นไปอย่างไรวัตถทะวานลิ้นเป็นไปอย่างไรวัตถทะวานกายเป็นไปอย่างไรและวาตะในทวานใจเนี่ยดำเนินเป็นไปอย่างไรทีนี้ถ้าหากว่าผู้ที่เห็นอริยสัจแทงตลอดอริยสัจขึ้น อันนะเช่น น, นะนะว่าโดยสรุปนะก็คืออะไรแทงตลอดรูปรูปสมูทายรูปนิโรตรูปนิโรธคาไมินีปฏิปทาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันหรือแทงตลอดอะไรจักขูจกัจกขูสมูทยายจักขูนิโรจักขูนิโรธคามินีปฏิปทาอีกสูตรหนึ่งเรียกว่าตัสรุปัสสาโยตนะ เหตุเกิดของภาษายาตนะความดับภาษายาตนะข้อปฏิบัติให้ถึงความดับภาษายาตนะถ้าว like mm. ิชาเหล่านี้เกิดขึ้นอวิชาก็ดับไปถ้าวิชาดับโดยไม่มีส่วนเหลือด้วยอริยมรรคที่แทงตลอดพระนิพานอย่างนี้หรือบรรลุอริยสัจเช่นนี้สังขารก็ดับถ้าสังขารดับถือว่าถ้าวิญญาณดับนามรูปก็ดับถ้านามรูปดับสลายญาตนะเออเนี่ยหลักการคําสอนในพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้นะ แต่ว่าข้อปฏิบัติเพื่อให้ดับนั่นแหะคือปลายศิขาแล้วล่ะถือว่ารู้กันระดับถ้าตัญหาดับอุปาทานก็ดับถ้าอุปาทานดับภพก็ดับถ้าภพดับชาติก็ดับถ้าชาติดับชรามรณะโสตะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาตก็ดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวลย่อมมีได้ด้วยประการช่นี้อันนี้เป็นการประกาศอริยสัจเราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเข้าใจหลักการพระพุทธศาสนาดีแล้วนะถือว่ารู้กัน ไม่รู้ก็ไปค้นคว้าให้รู้กันแล้วกันอันนี้ถือว่ารู้กันว่าเออเนี่ยหลักการคําสอนในพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าข้อปฏิบัติเพื่อดับนั่นแนหะคือปลายสิกขาแล้วล่ะถือว่ารู้กันแล้วดูก่อนที่สูตทั้งหลายธรรมะทั้งหมดที่พูดไปนี้ชื่อว่าสวากขาโตกล่าวดีแล้วเนี่ยใครไม่เห็นด้วยบ้างว่าเออเนี่ยพอพูดยังไม่ดีนะียังมีส่วนเหนือยังขาดตกบกพร่องยังไม่พอมีไหมของเราคงไม่มีหรอกคงไม่มีนะ อาจจะแอ บ, บแอ บ, บคิดก็ได้แต่ว่าแต่เชื่อว่าไม่มีหรอกธรรมะที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ถ้าเป็เป็นบาลีว่าไงสวากขาโตพระวาตาธรรมโอพระธรรมคาสอนเหล่านี้คือการประกาศอริยสัจเหล่านี้ทรลองแสดงไว้ดีแล้วทำให้ตื้นแล้วเปิดเผยแล้วประกาศแล้วเป็นธรรมะตัดสมณะขริ้วแล้ว ่นะส ม, มณาคีรุก็คือส ม, มณคีรุก็ภายนอกเนี่ยเป็นส ม, มณะแต่ภายในไม่ใช่ไม่ใช่ก็เหมือนตัวอย่างที่นั่งข้างๆเราเมื่อกี้คล้ายๆแบบนั้นแหละดูกอนติสูตทั้งหลายกูระบุผู้บวชโดยศรัทธาสมควรแท้เพื่อปรารบความเพียรในธรรมะอันเรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ทำให้ตื่นเปิดเผย ป, ประกาศเป็นธรรมะตัดส ม, มณาคีรุวแล้วด้วยตั้งใจว่า ถ้าจะปฏิบัติให้เห็นอริยสัจอย่างเนี้ยทํำยังไงหนังเอ็นและกระดูกจงรั้วอยู่หนังและเลือดในสรีระจงเหือดแห้งไตก็ตามทีอิตธิลใดที่จะพึงดูบดบรรลุ ด, ด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษ ด, ด้วยความเพียรของบุรุษ ด, ด้วยความบากบั่นของบุรุษยังไม่บรรลุอิทผลนั้นเราจะไม่หยุดความเพียรเห็นไหมเออหน้าคิดนะว่าถ้าเป็นสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาฟังแค่นี้นะเขาโน่นไปทั้งหลังวัดพระชิญตะวันนี่ย ข้างหลังวัดประเชตวันบริวนู้นทั้งหมดมีต้นตาเรียกว่าตาอันถวันท่านไปคิดเรื่องนี้ทั้งวันเนาะเขามันน่าคิดนะว่าท่านจะอยู่ได้ยังไงเนี่ยนะไปตึกว่ายังไงอยู่ได้ทั้งวันเนี่ยนะในที่เงียบเงบโน้นเย็นนะั่นแหละค่อยมาฟังธรรมใหม่ไปตึกอยู่อย่างนั้นทั้งวันของเราน่ยทิ้งตาว่าข้างหลังเรามีต้นไม้เยอะแยะไปนนั่งเงียบเงียบโดยที่ยุงไม่ยุงไม่กัดอูตัวสตายะเป็นอย่างดีเลยวนั่ตึกอย่างนี้ดูซิว่าไม่ของเรานี่ยเป็นไปได้ไหม พอเราพูดอย่างนี้ป้าเราอยากกราบพระสงฆ์ที่ท่านทําได้จริงๆเราโอ้ท่านเหล่านั้นเป็นผู้ปฏิบัติดีจริงๆถึงเรายังทําไม่ได้เราก็มีความ อ, อริยสัจให้ได้เ อ, อไม่ใช่ไปนัน่งเกรงจนจนได้ตายจริงๆอะนะไม่ใช่แต่ไป น, นัง่งพิจารณาจนเที่ว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการพิ่จะนาอริยสัจเนี่ยนะตรงนี้เป็นโจทย์ที่น่าคิดว่าท่านเหล่านั้นท่านทํากันได้อย่างก็งมาอยู่ในเชตยธรรมมาดูปรัชญาเดียวกันทําไมเรายังไม่เห็นเนี่ยนะทำไมจึงเป็นอย่างนี้ขึ้น คือพวกนี้นะต้องต้องขยันตั้งโจทย์ถามตัวเองบ่อยๆจึงจะเจริญถ้าไม่ค่อยมีโจทย์นะสบายๆแต่วันๆหนึ่งเจริญยากพถ้าหากว่าเราจะเจริญเนี่ยนะถึงกับว่าไปนั่งเนี่ยอเอาตายเข้าแรกนังจะต้องเห็นอริยสัจให้ได้ไม่ใช่ไปนั่งเกรงจนจนได้ตายจริ ง, ร ง, รงๆอะนะไม่ใช่ แต่ไปนั่งพิจารณาจนเรียกว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการพิจารณาอริยสัจเนี่ยนะตรงนี้เป็นโจทย์ที่น่าคิดว่าท่านเหล่านั้นท่านทำกันได้ยังไงดูก่อพิสูนรทั้งหลายบุคคลผู้อาผู้เกียดติครานอาเกียรไปด้วยธรรมะอันเป็นบาปอากุศลย่อมอยู่เป็นทุกย่มอมยังประโยชน์ของตนอันใหญ่ให้เสื่อมเสียหายไปอัะนนะัถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วนะ ก็ยังปล่อยให้อากุศลจิตเนี่ยครอบงาําให้อกุศลวิตกกลุ่มรุมบาบาคุศลก็เิ่มงานถามว่าชีวิตจะเป็นยังไงคนที่ที่รู้จักอกุศลว่ามีโทษเนี่ยนะถ้าอากุศลเกิดเนี่ยเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ mm hmm. เครียดเลยนะถ้าปล่ให้อกุศลเกิดทั้งวันหนึ่งเครียดไหมทุกการเครียดแน่วดวาร้อนแน่เลยนะถ้าปล่ให้อกุศลวิตกเกิดขึ้นนี่ก็เสียหายแหละทุกข์เลยแหละแล้วถามว่าฆ่าอากุศลเกิดขึ้นแบบนั้นไหมศีลเกิดไหม ไม่เกิดสมาธิเกิดไหมไม่เกิดปัญญาเกิดไหมไม่เกิดไตรสิกขาสมบูรณ์ได้ไหมไม่ได้ถ้าไตรสิกขาสมบูรณ์ไม่ได้โสดาปฏิมาเกิดได้ไหมไม่ได้สกาธาคารมีมาเกิดได้ไหมไม่ได้อนาคาคามีมาเกิดได้ไหมไม่ได้อรหัตมรรคเกิดได้ไหมไม่ได้ถ้าอรหัตตมรรคไม่ได้อรหัตผลก็ไม่เกิดมันเคือโอ้โหทำลายประโยชน์ของตัวเองอย่างใหญ่หลวงนะนะวิธีทําลายประโยชน์ของตัวเองง่ายมาก เข้าใจคําสอนให้ดีๆแล้วปล่อยให้อกุิโสละจิตมันเกิดเอาเกิดเอานั่นแหละเป็นการฆ่าตัวเองแบบทีนี้ที่ยนะนะั้นไหมฆ่าแบบเลือดเย็นมากอ่ะนะโดยเราว่าค่อยๆดื่มยาพิษผสมด้วยน้ําหวานแล้วก็กรอกดื่มไปเรื่อยๆเรื่อยๆเืช้าแก้วเย็นแก้วแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเป็นขว ด, ขวดๆเลยนะในที่สุดก็เฉาตายจริงๆอ่ะนะอันคนที่เป็นเช่นนั้นถามว่า น, น่าการุณาไหมก็น่าการุณาหวังว่าเราคงไม่เป็นเช่นนั้น ดูกรพิกษุทั้งหลายถ้าการบรรลุทำอันเลิศด้วยทำอันเลวย่อมมีไม่ได้